บทที่15บ้านและสวนตามปกติในการสืบถามเรื่องราวของโลกหน้ามักเกิดคำถามซึ่งเลี่ยงไม่ได้ว่าคุณช่วยเล่าเรื่องชีวิตประจำวันบนสวรรค์ให้ฟังหน่อยได้ไหมหลังจากตรวจดูบันทึกของเสียงนับร้อยร้อยวิญญาณคำตอบสรุปออกมาว่าไม่ได้ไม่มีกลางคืนไม่มีกลางวันไม่มีแม่บ้านไม่มีการทางาน ไม่มีชีวิตที่จำเพาะเจาะจงเราได้รับการบอกเล่าว่าทุกคนก้าวสู่สภาวะของสำนึกพวกเขาสร้างสารรค์เพื่อตัวเองด้วยชีวิตที่เคยดำเนินไปบนโลกจอร์จเฮริชไม่อาจนึกภาพชีวิตของตัวเองได้โดยไม่ต้องทำการฉาบปูนก่ออิฐเขายังทำเช่นนั้นอยู่บนสวรรค์ไลโอเนลบาร์โมอร์นึกภาพชีวิตที่ปราด จ, จากการแสดงไม่ได้ เขายังแสดงต่อไปส่วนโรสก็นึกภาพที่ไม่ต้องจิบน้ำชาไม่ออกเธอก็ยังคงจิบชาพวกเขาบอกเราว่าไม่มีใครเหมือนเดิมทุกคนพัฒนาและก้าวไปทุกชีวิตเปลี่ยนแปลงเมื่ออยู่บนสวรรค์แต่ก็ยังดำเนินไปคล้ายเมื่นที่เป็นอยู่บนโลกเราตอบคำถามอะไรได้บรรยายบ้านสักหลังบนสวรรค์หรือมีอะไรเติบโตในสวนสวรรค์พวกเขากิน นอนทำงานหาเรื่องบันเทิงกันบ้างหรือไม่พวกเขาพักผ่อนกันอย่างไรพวกเขาทำอะไรกับตัวเองกันแน่เราต้องการคำตอบที่แน่ชัดบูดกับเบ็ตตี้กรีนถามทุกคำถามที่จำเป็นพวกเขาได้คำตอบมากมายแต่คำตอบเหล่านี้คุมเคลือฟังดูเป็นไปไม่ได้ที่จะอธิบายภาพในโลกอีกมิติด้วยภาษาที่เราใช้กันบนโลกคาตอบจึงไม่ค่อยแน่ชัด เท่าที่เราทำได้คือประติดประต่อเรื่องราวต่างๆและดูว่าเราได้เรื่องอะไรถ้าคุณยึดคําสอนทางศาสนาในเรื่องภาพของสวรรค์คุณคงประหลาดใจที่รายงานข้อมูลเหล่านี้ไม่เหมือนกับที่คุณเคยคาดหวังไว้เลยฉันคิดว่ามันแตกต่างกันมากทีเดียวแมรี่แอนดรอสว่าไว้เราคิดว่าคงเหมือนที่เราเคยเห็นในรูปภาพและหนังสือศาสนาประเภทนางฟ้าที่มีปีก แตกต่างกันเพราะไม่มีนางฟ้ามีปีกไม่มีปีกความประทับใจแรกก็คือสวรรค์คล้ายโลกมนุษย์เรามีข้าวของทุกอย่างเหมือนเดิมแม่ของบิกส์บอกผมกำลังพูดถึงนั่นคืออัเฟตทิกกินนักตกแต่งและคาตกรชาวไบรตันถึงสภาพของชีวิตซึ่งคล้ายกันมากบนโลกโลกซึ่งเราอยู่มีความคล้ายคลึงกันมากในเรื่องของธรรมชาติ แมรี่อีวานบอกว่าเธอสูตรอากาศฉันก็ไม่รู้ว่ามันใช่ออกซิเจนไหมเธอบอกแต่ฉันเรียกมันว่าอากาศเพราะรู้ตัวว่ากำลังหายใจคุณจอสออลันซึ่งเคยเป็นเพื่อนบูดก็มาเล่าให้เขาฟังผมคิดว่าความจริงที่ทำให้พบประทับใจประหลาดใจเหมือนไม่ใช่เรื่องของความหวังไม่ใช่ความฝันไม่ใช่สิ่งเมืองรางทุกอย่างมีตัวตนอยู่จริง ความเป็นจริงอันดับแรกที่คนตายได้พบส่วนใหญ่คือบ้านหลังใหม่ของพวกเขาหลายคนเรียกมันว่าบ้านนี่เป็นคำที่เราใช้กันบนโลกอาร์ตบริช e ที่มีพี่สาวของเขาพาไปยังกระท่อมหลังเล็กใกล้เคียงกับที่ผมเคยเห็นในอังกฤษมากที่สุดสุดทางเดินในตัวบ้านเป็นห้องห้องหนึ่งทุกอย่างอบอุ่นสบายมีเก้าอี้ที่นนั่งไม่มีเตาผิง บิ๊กไปเยี่ยมป้าเมย์ถึงกระท่อมของนางนั่นคือบ้านน้อยหลังเดิมหนึ่งในสี่หลังและเป็นหลังสุดท้ายที่มีส่วนเล็กๆพวกเขาพาผมเข้าไปข้างในทุกอย่างในบ้านหมดจดเอี่ยมอ่องเท็ดบัตเลอร์ตื่นขึ้นก็พบว่าในห้องรับแขกเล็กๆม่านลายดอกตรงหน้าต่างมีพรมสวยบนพื้นเทอร์รี่สมิธพบว่าผลทางไปสู่บางสิ่งนั้นคล้ายกับที่เขาเคยเห็น ผมคิดว่าคุณคงเรียกมันว่าห้องรับแขกห้องเล็กๆน่ารักหมานลายดอกหรือเก้าอี้ทุกอย่างให้ความรู้สึกของคำว่าบ้านออสการ์ไวก็ยังไม่ให้ความกระจ่างบ้านหลังงามเขาบอกบ้านที่มีอยู่ในหัวใจผมแต่ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมในปี1962เสียงหนึ่งอ้างว่าเป็นอลิซาเบตสไลด นักสังคมสงเคราะห์และผู้ช่วยเหลือนักโทษในเรือนจำเสียงนั้นดังขึ้นมาเพื่อเติมเต็มความรู้เกี่ยวกับบ้านบนสวรรค์ให้แก่เราบ้านเธอกล่าวอธิบายได้ดีที่สุดในสภาพบ้านไม้ทรงเตี้ยหลังคามุงฟางสำหรับดิฉันบ้านเป็นสิ่งสำคัญพอๆกับที่มันมีความสำคัญต่อคุณซึ่งจะเป็นผลผลิตของวิถีทางความคิดนั่นคือเหตุผลว่า ทำไมที่นี่จึงมีบ้านทุกแบบดิฉันถูกดึงดูดความคิดให้นึกถึงรูปแบบของบ้านซึ่งฉันอยู่อาศัยและมันให้ความรู้สึกที่มั่นคงปลอดภัยแก่ดิฉันไม่ใช่บ้านหลังใหญ่แต่เป็นบ้านอย่างที่ดิฉันปรารถนาการตกแต่งที่เรียบง่ายสําหรับเราฟังดูแล้วบ้านคงสวยแต่ถ้าให้พูดในลักษณะตัวแทนขายบ้านผู้ต้องพยายามเสนอความพิเศษของที่พัก อันน่าปราถนาเพื่อการขายคําพนานาของเธอช่างแสนคุ้มเคลือเป็นโรสที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับบ้านของเธอได้ดีเป็นคนแรกมีสี่ห้องที่ฉันพอจะดูแลได้แต่สี่ห้องนี่มีห้องอะไรบ้างเธอกลับไม่ได้บอกมีเพียงห้องที่เธออธิบายไว้ว่าเป็นห้องนั่งเล่นแล้วพวกเขามีห้องนอนห้องอาหารห้องครัวห้องน้าและส้วมบ้างหรือเปล่า หรือถ้าไม่มีที่ทำงานจะมีห้องสมุดห้องทำงานและห้องเล่นบิลเลียดหรือเปล่าไม่มีใครพูดถึงเกือบทุกบ้านจะมีการพรรณนาถึงสวนเป็นสวนที่จะเห็นได้ตามบ้านชานเมืองสวนชนบทที่สวยกว่าบนโลกดอกไม้เป็นธรรมชาติโรสบอกพวกมันมีชีวิตคุณตัดดอกไม้ได้และนำไปประดับในบ้านของคุณ แต่คนไม่กี่คนจะทำอย่างนั้นหลังจากมาอยู่ที่นี่ได้สักระยะถ้าเรานั่งอยู่ในบ้านและถ้าต้องการเห็นดอกไม้ข้างนอกก็ไม่จำเป็นต้องเดินออกไปแค่คิดถึงมันแล้วเราก็จะได้เห็นพวกเขามีหญ้าเช่นกันเธอบอกว่าห่าหยุ่นอยู่ใต้ฝ่าเท้าสีเขียวสวยมากฉันเคยไปยังสถานที่บางแห่งที่ไม้ดอกมีลำต้นสูงจนฉันคิดว่า มันน่าจะสูงสักเจ็ดแปดฟุตเห็นจะได้มันเหมือนกับเดินผ่านป่าดอกไม้ข้าวโพดก็โตในทุ่งแต่ฉันไม่เคยเห็นใครเก็บเกี่ยวข้าวโพดโรสเล่าและมันยังดูเหมือนจะอยู่ที่นั่นตลอดต้นไม้งดงามดอกไม้ที่อยู่บนต้นไม้ก็สวยงามมีกลิ่นหอมอีกด้วยจอร์จฮอคกินชาวนาซาัสเซสก็ดื่มด่ำในเรื่องดอกไม้ต้นไม้พอๆกัน เรามีชนบทชานเมืองเรามีทะเลสาบและแม่น้ำเรามีดอกไม้นกและสิ่งต่างๆที่คุณจะคิดถึงในธรรมชาติยกเว้นบางสิ่งซึ่งหลายคนอาจเรียกว่าตัวรำคาญผมไม่เคยเห็นหมดแม้ว่าในพบของคุณจะมีมดแต่ผมไม่เคยเห็นพวกมันอยู่ที่นี่ผมไม่เคยเห็นมแมลงอย่างความสุขนี้มีอีกเสียงช่วยยืนยัน ออสการ์วายบอกเราว่าที่นี่เป็นธรรมชาติแต่ไม่มีสิ่งรำคาญใจอย่างสัต์ที่จะมารบกวนเรานั้นจะไม่มีไม่มีพวกมแมลงวันหมัดเห็บทุกอย่างในธรรมชาติที่เป็นตัวรำคาญสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนจะหายไปสิ่งต่อมาที่พวกเขาสังเกตเห็นจากถ้อยคำของเทดบัตเลอร์ก็คือความรู้สึกงดงามของแสงและความอบอุ่น สิ่งที่ผมคิดถึงคือพระอาทิตย์ที่สาดแสงเข้ามาทางหน้าต่างหรืออย่างที่แมรี่อีวานกล่าวพระอาทิตย์หรือที่ฉันคิดว่าอาจจะเป็นพระอาทิตย์กำลังส่องแสงเข้ามาทางหน้าต่างแต่มันไม่ใช่เทอรีสมิทอธิบายว่าสิ่งที่ปรากฏเป็นพระอาทิตย์แม้เธอจะอธิบายแก่ผมในภายหลังว่านั่นไม่ใช่พระอาทิตย์นั่นคือแสงสว่างจากเราทุกคน ทุกชีวิตสามารถสร้างพลังนี่คงจะเป็นเรื่องตลกเกี่ยวกับความสว่างอาจฟังดูประหลาดแต่แสงพวกนี้ไม่ก่อให้เกิดเงาเขาบอกผมว่าสิ่งต่อไปนี้คือคํากล่าวของเท็ดบัตเลอร์ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์มันคือความสว่างตามธรรมชาติแต่มันคือแหล่งพลังที่ผมไม่มีวันค้นพบวันหนึ่ง บางทีนักวิทยาศาสตร์ผู้ล่วงรับคงได้กลับมาอธิบายอะไรให้เราเข้าใจได้ถ้าไม่มีพระอาทิตย์จะเคยมีความมืดมิดบ้างหรือไม่คุณจะนอนหลับหรือไม่เสียงต่างๆให้ข้อมูลไม่ตรงกันคุณมีกลางคืนและกลางวันที่นั่นหรือเปล่าบูดถามมีสิจอหฮามิดบอกเหมือนอย่างที่คุณมีมีกลางวันกลางคืนแน่นอนเรามีผมไปนอนและขึ้นเตียง ตื่นขึ้นมาเหมือนอย่างที่เราทำบนโลกบิ๊กก็บอกแบบนั้นเช่นกันลูกควรได้พักผ่อนแม่ของเขาบอกอยากไปที่เตียงไหมเตียงเหรอแม่นอนบนเตียงด้วยหรืออ๋อนางกล่าวมันไม่จำเป็นหรอกแต่ในกรณีของลูกมันคงจะเป็นสิ่งที่ดีเพื่อให้เรื่องมันสั้นเข้าผมก็ขึ้นเตียงนอนหากบิ๊กเสียชีวิตจากโลกและจอร์จฮริส เขาใช้ชีวิตที่ผูกพันไว้กับการก่ออิดโรสซึ่งอยู่บนสวรรค์มานานกว่าให้คำตอบที่แตกต่างไปค่ะคุณนอนหลับได้ถ้าคุณอยากจะนอนหลับนะนะแต่ไม่จำเป็นหรอกถ้าคุณเหนื่อยล้าทาั้งใจคุณก็ได้พักผ่อนผ่อนคลายทั้งจิตใจหลับตาลงและคุณก็จะลืมตาขึ้นหลังจากสักครู่คุณจะไม่รู้สึกเหนื่อยอีกต่อไป เอลเอนเทอรี ly, ซึ่งอยู่มานานกว่าอธิบายว่าที่นั่นไม่เคยมีความมืดมีสิ่งที่คุณอาจเรียกว่าสนธยาและนี่ยังมีอีกอย่างที่ไม่เหมือนบนโลกเรามีเวลาสำหรับความเงียบเพื่อให้พักผ่อนแต่ไม่เคยมีความจำเป็นที่จะต้องพักผ่อนหรือนอนหลับทว่าสันติภาพหรือความสงบจะมาหาเมื่อเราต้องการฝนก็เช่นเดียวกันฉันไม่เคยเห็นฝนเลย โลดกล่าวดูเหมือนจะไม่มีฤดูการด้วยไม่เหมือนอย่างที่มีอยู่บนโลกแต่อีกครั้งที่ทุกอย่างดูเหมือนจะขึ้นอยู่กับระดับการพัฒนาสำหรับจอร์ดเฮอริชผู้ยังติดอยู่บนโลกนี้อีกมากเขาตอบว่าฤดูการแตกต่างกันฝนแสงสว่างทุกอย่างดูเป็นธรรมชาติมากคุณบอกว่ามีฝนด้วยเหรอคะเบ็ตตี้กรีนถามด้วยความประหลาดใจใช่เขาตอบ มีฝนมีทุกอย่างมันเหมือนกับที่นั่นจำลองทุกอย่างจากโลกนี้ไปมันสวยงามมากถาว่าเสียงส่วนใหญ่กลับบอกว่าที่นั่นไม่มีฤ ด, ดูกาลที่ยากจะเข้าใจขึ้นไปอีกนั่นคือไม่มีการเวลาไม่มีมาตรฐานวัดเวลาอย่างที่ฉันเข้าใจโรสบอกเราไม่รู้เวลาฉันว่าคุณคงไม่รู้หรอกฉันหมายถึง ถ้าคุณคิดว่าตอนบ่ายตอนเย็นและกลางคืนสิ่งเหล่านั้นไม่ได้มีผลกับเราเราไม่มีเวลาอย่างที่มีเหมือนบนโลกเวลาเป็นสิ่งที่คนเราสร้างขึ้นมาไม่ใช่หรือคำอธิบายที่ดีที่สุดสำหรับความแตกต่างระหว่างสองโลกมาจากจอร์จออสันคุณออสันคะเบ็ตตี้กรีนถามคุณบอกว่าคุณไม่ได้ทำอะไรคุณใช้เวลาในแต่ละวันไปอย่างไรคะ อ๋อพระเจ้าเวลาเขาตอบคุณเห็นว่านั่นคือสิ่งซึ่งไม่มีบนพบของเราคุณเห็นว่านั่นเป็นเรื่องน่าประหลาดพวกเขาบอกว่าอ๋อพวกเขาใช้เวลาที่ผ่านมาไปทำอะไรน่ะลึกเวลาเวลาและเวลาพวกเราไม่รู้จักเวลาเวลาไม่ได้มีความหมายอะไรต่างๆกับเราเลยเราอาจมองจากมุมมองของคุณว่าการทำสิ่งต่างๆคือสิ่งที่ทาให้เราสนใจ และอาจพบรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจแต่เราไม่รู้เวลาหรอกเราไม่รู้ชั่วโมงวันสัปดาห์เดือนหรือปีอันที่จริงแล้วเรารู้เวลาได้ก็คงจะผ่านพวกคุณนั่นแหละโดยการกลับมาหาคุณแล้วถามว่านี่มันเมื่อไหร่กันแล้วเราถึงจะรู้เกี่ยวกับเวลาได้เราไม่เคยสนใจเรื่องวันเกิดอันที่จริงเราจาวันเกิดตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำ มันไม่ใช่ปัจจัยสำคัญสำหรับการรับรู้ตัวเองก็เหมือนกับการเกิดผมหมายถึงการรู้ถึงตัวตนของตัวเองที่มีอยู่ก่อนการเกิดผมหมายความว่าเราแค่ตระหนักถึงสิ่งต่างๆในระยะพัฒนาเมื่อเราเกิดขึ้นบนภพนั้นเราจะรับรู้ถึงสิ่งต่างๆรอบกายไม่ว่าจะเป็นรูปทรงรูปแบบสีและเสียงและสิ่งต่างๆจะมีความหมายบางอย่าง ผมอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่ก่อนผมเกิดพัฒนาและปรับบุคลิกส่วนตัวคนเรียกผมว่า อ, อสันแต่นั่นคือเรื่องของเวลาอันไม่รู้จบมันเห็นได้ชัดว่าจริงๆแล้วเราไม่มีใครได้เป็นในสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นฟังดูมันน่าซับซ้อนแต่ก็น่าสนใจไม่มีทั้งเวลาไม่มีอาหารอาหารละ่ะโลกหน้าเรารับประทานอาหารอะไรหรือเปล่า ข้อพิสูจน์ดูจะขัดแย้งกันไม่มีใครคาดคิดถึงเรื่องกินเรื่องดื่มเมื่อพวกเขาได้รับการต้อนรับเป็นมื้อน้ำชาพวกเขาไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นจริงอาร์ฟพิชเชตมาสู่ศูนย์กลางการต้อนรับของเขา mm. เขาเห็นอะไรบางคนกาลังคุยกันและคนอื่นๆกาลังกินอยู่นั่นทาให้ผมแปลกใจผมคิดว่าถ้าที่นี่เป็นบางส่วนของสวรรค์ พวกเขาก็ไม่น่าจะมีอะไรกินกันแต่พวกเขาก็กินอยู่จริงๆบิกเองก็ไปเยี่ยมป้าเมย์ของเขาอยากดื่มน้ำชาไหมป้าเมย์ถามและเทดบัลเลอร์ตอบเราก็เลยนั่งดื่มชาด้วยกันส่วนเธอรี่สมิธได้รับการต้อนรับในบ้านใหม่ของเขาด้วยคำถามที่ว่าอยากดื่มชาไหมและเขาตอบว่าขอน้ำมะนาวจอร์ดวิล موت รู้สึกถึงความเป็นบ้านด้วยครอบครัวของเพื่อนสาวชาวฝรั่งเศสของเขาพวกเขานำซุปชามใหญ่มาวางตรงหน้าและพูดโดยสัตว์จริงเลยนะมันเหมือนผมกลับไปสู่โลกอีกครั้งพวกเขากำลังทานซุปและผมก็ร่วมวงสูบบุหรี่เรายังมีป้ายด้วยนะเจ้าบ้านบนสวรรค์อธิบายว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวสิ่งที่คุณไม่รู้ก็คือ คนนําทางของพิเฉดกล่าวเมื่อคุณมาถึงที่นี่คุณรู้สึกว่ามันสําคัญมันจําเป็นที่จะต้องมีจิตอันกระทําเป็นแบบแผนตายตัวหรือเรียกว่าจิตจวัตรถ้าคุณรู้สึกว่ามันสําคัญที่จะต้องมีการกินการดื่มคุณก็จะทําได้ตอนแรกที่หลานมาที่นี่ป้าเมย์กำลังอธิบายให้หลานของเธอฟังทุกสิ่งทุกอย่างดูเหมือนจะ กับการที่หลานคุ้นเคยและมีความสุขถ้าหลานต้องการอะไรบางอย่างหลานก็จะมีมันแต่หลานจะได้รับรู้ในเร็ววันว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่จำเป็นถ้าตอนแรกคุณมาถึงที่นี่คนนำทางของเท็ดบัตเลอร์อธิบายคุณรู้สึกว่ามันจำเป็นจะต้องมีนี่มีนั่นมันก็จะมีการจัดเตรียมไว้ให้แต่มันจะอยู่แค่เพียงชั่วคราวจนกระทั่งคุณปรับตัวได้ และตระหนักในปัจจัยที่ว่าความจริงแล้วคุณไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้เลยปกติตัวฉันก็ไม่ได้ดื่มชาหรือทำอะไรอย่างนี้แต่ในเมื่อคุณมาเป็นแขกในบ้านฉันและคุณกาลังทำตัวให้คุ้นเคยกับสิ่งต่างๆฉันคิดว่านี่คงจะช่วยคุณได้จอร์ดวิล موت ก็ได้รับการอธิบายแบบเดียวกันนี้จากผู้นาทางของเขานั่นเป็นความจาเป็นเพราะคุณคิด และคนอื่นๆอย่างคุณก็คิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จำเป็นแต่คุณจะได้รับรู้ในเร็ววันว่าความจริงแล้วมันไม่จำเป็นหรอกพราะความปรารถนาเหล่านั้นหมดไปรูปทรงจากความคิดก็จะหายไปพร้อมกันและสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่มีตัวตนขึ้นมาอีกสำหรับความปรารถนาบางประการต้องใช้เวลานานกว่าจะหมดลงได้ รดกล่าวว่าฉันเป็นคนที่ชอบดื่มชาและฉันยังชอบมันฉันก็จะยังดื่มมันต่อไปอ้าวแล้วเธอได้ชามาได้ยังไงล่ะบูรถามเออความจริงมันก็น่าขำมานะเธอตอบฉันก็ไม่รู้ไม่ต้องเข้าครัวและตั้งกาน้ำชงชาให้ตัวเองแบบนั้นฉันแค่รู้สึกว่าตัวเองต้องการชาสักถ้วยแล้วมันก็ปรากฏอยู่ตรงนั้นเลยเธอพูดได้ชัดแจ้งกว่าเรื่องอาหาร เรามีผ ล, ลไม้และลูกนัตมีทุกอย่างที่บนโลกของคุณใช้เป็นอาหารแต่เราไม่ฆ่าสัตว์และไม่กินพวกมันเราไม่กินเนื้อม้าหรือเนื้อใดๆอะไรอย่างนั้นและต่อมาความปรารถนาในอาหารและความคิดเป็นแค่วัตถุความปรารถนาทางวัตถุคือการผลักดันให้มีการฆ่ากันแต่ที่นี่จะไม่มีแบบนั้นอีกต่อไป และความปรารถนาในอาหารจะสุดสิ้นไปในไม่ช้าเราต้อนรับคนที่มาที่นี่ช่วงแรกที่พวกเขามาพวกเขารู้สึกว่าตัวเองต้องการอาหารพวกเราได้ทานอาหารแต่ในไม่ช้าพวกเขาก็จะหมดความต้องการเกี่ยวกับอาหารและเมื่อพวกเขาไม่ต้องการมันแล้วทุกอย่างก็จะหายไปเสียงหนึ่งอ้างว่าเป็นนายมากิด ผู้อพยพไปสู่ออสเตรเลียในศตวรรษที่20และเสียชีวิตลงในซิดนีย์เราถึงประสบการณ์ตอนที่เขาตายไปใหม่ๆมีทุกอย่างที่คุณต้องการทั้งกินหรือดื่มเขาบอกและผมไม่เข้าใจเลยผมหมายความว่าผมทำสิ่งต่างๆไปโดยอัตโนมัติแต่ผมก็ค่อยๆซึมทราบว่าสิ่งเหล่านี้การกินการดื่มพวกมันเป็นแค่นิสัยเดิมๆที่ติดตัวมาจากโลก ผมเคยคิดว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นแต่ในอีกไม่นานผมก็ตระหนักว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่สำคัญจึงค่อยๆหมดความปรารถนาในการกินการดื่มและหลังจากนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีความหมายต่อผมอีกต่อไปมีเวลาดื่มน้ำชามีเสียงเพลงในสวรรค์เฉกเช่นปาร์ตี้ในสวนบนโลกอะไรคือเป้าหมายของคนที่ชอบดื่มเหล้าและวายละ่ะ เสียงต่างๆเริ่มให้ข้อมูลที่ไม่แน่นอนมีคำตอบจากจอร์ b บราว์ทาสุราแห่งควีนวิกตอเรียผมต้องอยู่ที่นี่เพื่อเรียนรู้ที่จะไม่ดื่มเขาบอกไม่มีวิสกี้และแน่นอนมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีวิสกี้ที่นี่ไม่มีความเจ็บปวดหรือความเจ็บจอร์ชแฮริสล่าวไม่มีความป่วยไขย้ผมไม่เคยเห็นโรงพยาบาลสำหรับกรณีที่เกี่ยวกับการป่วยทางจิต และต่อมาเขาก็พูดว่าผมไม่ต้องไปห้องสุขาด้วยไม่ตลกหรือผมหมายความว่าเรามีอาหารชั้นเลิศและจากนั้นเราก็ต้องขับถ่ายแต่ที่นี่ไม่ต้องหรอกมันแตกต่างไปร่างกายไม่ได้เป็นสรีระแบบเดิมหรือโครงสร้างเดิมความกระหายน้ำความหิวจะหายไปไหนไม่ช้าแต่อย่างน้อยในบรรยากาศที่เสียงต่างๆแวะมาเล่าให้ฟัง ดูเหมือนทุกคนยังไม่หมดความสนใจในการแต่งกายอัรพริเชตเดินทางมาถึงสวรรค์แตะเท้าลงบนถนนสายยาวที่มีต้นไม้สวยงามและสังเกตเห็นผู้คนที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้า พ, พิเศษเมื่อเขาไปถึงศูนย์ต้อนรับสิ่งที่สะดุดตาของของผมก็คือพวกเขาแต่งตัวแปลกๆอย่างที่ผมเคยแต่งในถนนวิปพีสวมสูรกับอะไรพวกนั้น แมรี่อีวานตื่นขึ้นในโรงพยาบาลพี่สาวบอกเธอว่าให้ลุกขึ้นและไปได้แล้วเสื้อผ้าของฉันล่ะเธอถามพี่สาวเธอไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอกพี่สาวตอบเธอสวมมันเรียบร้อยแล้วเธอก้มดูตัวเองตอนนั้นฉันยืนอยู่ข้างเตียงในชุดยาวสวยงามนั่งไงล่ะพี่สาวเธอออกปากฉันช่วยเธอแต่งตัวเธอแค่ไม่รู้ ส่วนเรื่องของโรสโรสเธอได้สวมเสื้อผ้าหรือเปล่าออสวมสิเป็นเสื้อผ้าอย่างที่เราสวมไหมไม่หรอกฉันไม่สวมเสื้อผ้าอย่างที่เคยฉันไม่หวังว่าเราจะสวมชุดอย่างนั้นตลอดเวลาที่มาที่นี่หรอกนะเธอจะเล่าถึงเสื้อผ้าที่เธอสวมอยู่ตอนนี้ได้ไหมผู้คนแต่งตัวกันเองโรสอธิบายในลักษณะของเสื้อผ้าแบบต่างๆที่พวกเขาพอใจที่จะใส่แน่นอน ตอนแรกที่มาที่นี่เวลาผู้หญิงคนหนึ่งล่วงลับไปในศตวรรษนั้นพวกเขาคิดว่าเสื้อผ้าเฉพาะแบบมีความสำคัญแก่พวกเธอพวกเธอก็เลยสวมเสื้อผ้าในยุคของตัวเองอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่หลังจากนั้นพวกเธอจะรู้ว่ามันไม่สำคัญหรอกบางทีมันอาจไม่เหมาะสมกับพวกเธอจริงๆด้วยซ้ำบางทีพวกเธอก็แค่ไม่มีความสุขที่จะได้ใส่มันอีกต่อไป จึงค่อยๆปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกแล้วผลที่ตามมาก็คือพวกเธอเปลี่ยนแนวการแต่งกายออกไปเอาละตอนนี้ล่ะจ้าโรสเธอสวมชุดอะไรคำตอบของเธอให้คำบรรยายที่มีรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับกระ บ, บวนการสร้างบนสวรรค์ฉันไม่รู้ว่าคุณฟังดูแล้วจะเป็นยังไงนะที่รักเธอบอกแต่ฉันสวมชุดเดรสติดกันสีขาวจากบนตรดเท้า ชุดยาวครอมเท้าตรงๆมีแขนยาวและมีสายคาดเอวเป็นเกลียวเชือกสีทองและฉันก็มีชุดแบบนี้ตั้งหลายตัวจนเหมือนจะเป็นเครื่องแบบพวกมันทําจากอะไรคะสิ่งที่อธิบายได้ใกล้เคียงมากที่สุดเท่าที่ฉันพอจะนึกได้ก็คือมันเหมือนกับไหมชนิดหนึ่งค่อนข้างชัดเจนทีเดียวแต่เอามาจากที่ไหนกันล่ะจอร์จอสอสันเพื่อนของบูดก็พยายามอธิบาย แต่ก็ให้ความชัดเจนได้น้อยกว่ามีคนออกแบบเสื้อผ้าถ้ารู้สึกว่าคุณต้องการเสื้อผ้าแบบพิเศษอยากได้สีพิเศษจากนั้นก็จะมีการสร้างสรรวัตถุดิบขึ้นมาแล้วก็จะมีสถานที่นับพันให้คุณไปหาวัตถุดิบเหล่านั้นผมไม่ได้หมายความว่ามีร้านค้าอย่างที่คุณเข้าใจแต่ก็มีสถานที่ต่างๆซึ่งดูแลโดยคนที่สนใจในวัตถุดิบเหล่านั้นหรือเข้าของประเภทนั้น เขาจะให้วัตถุดิบที่คุณต้องการหรือถ้าคุณทำมันไม่ได้ก็จะมีคนมาทำให้นำไปสร้างสารรค์เป็นเสื้อผ้าแบบที่คุณอยากได้ไม่นั่นเป็นความคิดที่ฝังแน่นในบรรดามวลวิญญาณว่าคุณแค่คิดถึงสักชุดแล้วจะได้สวมชุดนั้นแต่ก็ใช่ในบางสานึกนั่นเป็นความจริงแต่มันเป็นความจริงแค่มุมมองหนึ่งเท่านั้น แสงสว่างสำหรับปัญหาซับซ้อนเหล่านี้สว่างวาบขึ้นมาด้วยข้อมูลจากลูเพิร์ตบรู๊คส์คุณสวมเสื้อผ้าแบบไหนครับบูดถามผมรู้สึกถึงเสื้อผ้าแบบที่ผมชอบมากที่สุดเขาตอบอะไรบางอย่างที่คล้ายของพวกกรีกโบราณที่เขาใส่กันมันสบายมากสะดุดตาและวัตถุ ด, ดิบก็สวยงามมีสีสันด้วยเหรอครับบูดซับมากเลยละ และมันก็ไม่ได้สำคัญแค่สำหรับตัวเราเองคนเราก็อยากสวมชุดที่ตัวเองชอบแต่จุดสำคัญคือมันจะต้องมีสีสันเสื้อผ้าที่คุณไม่ต้องการสวมเพราะนั่นไม่ใช่เป็นแบบตามธรรมชาติของคุณบ่อยครั้งที่เราจะเรียนรู้เรื่องอารมณ์และบุคลิกด้วยสีสันที่ปรากฏบนเสื้อผ้าที่เราสวมใส่จุดสาคัญก็คือเรารู้จักกันด้วยแสงสว่างที่เรืองรองรอบตัว อย่างเช่นถ้ามีสักสีหนึ่งในรัศมีของคุณก็อาจจะมีอีกหลายสีที่คุณใช้เป็นสีเสื้อผ้าของคุณไม่ได้หรือคุณจะปรากฏกายในสีสันเหล่านั้นไม่ได้ถ้าคุณไม่พัฒนาคืบหน้าไปไหนคุณจะสวมสีฟ้าอ่อนไม่ได้เพราะนั้นไม่ใช่รูปแบบตามธรรมชาติของคุณคุณจะทําให้มันเป็นไปได้สําหรับคุณหรือคุณทําแบบนั้นไม่ได้หรอกนอกจากสีที่อยู่ในรัศมีของคุณ นั่นเป็นเพราะคุณยังไม่พร้อมที่จะสวมใส่มันผมไม่รู้จะอธิบายยังไงว่าทำไมถึงเป็นไปไม่ได้ในกรณีนี้เรื่องทั้งหมดก็คือเราเป็นในสิ่งที่เราเป็นเราไม่สามารถเป็นอะไรที่นอกเหนือกว่านั้นได้หรือน้อยกว่านั้นได้คุณเห็นว่าเราเก้าวไปข้างหน้าทุกคนแปลไปในรูปแบบต่างๆเพื่อกระทาภารกิจและผลที่ได้คือ เราจะเป็นไปแบบนั้นโดยอัตโนมัติด้วยความพยายามของเราเราอาจสร้างโฉมหน้าภายนอกของเราขึ้นมาอาจสร้างบางสิ่งสำหรับตัวเองต้องการให้เกิดความประทับใจและการตระหนักรู้ที่ผิดพลาดแก่คนอื่นๆบนโลกได้แต่ที่นี่เราทำแบบนั้นไม่ได้ที่นี่ไม่มีภาพลวงตาไม่มีกลลวงที่นี่เราจะรู้จักกันใน สิ่งที่ตัวเองเป็นจริงๆเพื่ออะไรกันหรอเหมือนอะไรบ้านสวนสิ่งแวดล้อมและเสื้อผ้าที่สวมใส่เป็นอย่างไรทุกอย่างเกิดขึ้นได้จากการตั้งสมาธินึกคิดขึ้นมา